ความเจริญจุง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลยสีประทุมกำลังพูดเรื่องประวัติของพระัญญาโกทัญญาก็หลังจากที่ท่านได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอนแล้วเมื่อภาษาวกเพิ่มขึ้นเป็นหกสิบรูป พระเจ้าก็ส่งส่งไปเผยแพร่พระศาสนาเป็นครั้งแรกก็ถือว่าท่านก็เป็นประถมธรรมทูตจุดแรกในพระพุทธศาสนาในการต่อมาเมื่อพระสาวกเพิ่มขึ้นกว่านั้นมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับยกย่องกันแพร่หลาย พระเจ้าก็รับสั่งเล่าเท้าความเพราะในเพราะว่าตอนที่ทรงแต่งตั้งเอตตะค่าเนี่ยปัญญาโกนธัญญาเป็นรัตัญู่บุคคลก็ไม่ค่อยแปลกแต่ว่าตอนตั้งพระสาริบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญาพระโมคคัลลานะเป็นผู้เลิศทางฤทธิ์ก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่ามันแปลกในประเด็นที่ เป็นนัการษสาวกคือเป็นสุดยอดแห่งประสาวกเพราะามไม่ภิกษุที่เป็นปุถุชนรู้สึกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมุขโขโลกนณะคือทรงเห็นแก่หน้าหรือที่รักมากที่ช่างเพราะนนในกรณีของพระจักรพรริยากรทันยกระภาษาิบุตร เป็นต้นน่ยพระเจ้าก็รับสั่งว่าแต่ละรูปก็ได้ตามที่ตัวเองปรารถนาเอาไว้คือหมายความว่าปัญญากลตันดาท่านก็สร้างส ม, ม, รมบรมบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงบรรดาบาปุทุมุตระและทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือตั้งความปรารถนาที่จะเป็นรัตตัญญูบุคคล เป็นปฐมสาวกของพระพุทธเจ้านท่านก็ได้ตามที่ปรารถนาการยกย่องมันก็ยกย่องไปตามที่เขาปรารถนาไม่ใช่เป็นเรื่องของมุขโคโลกนะหรือว่าเดือกที่รักมักที่ชังแต่ประการใด พระศาสดาส่งประทับนั่งอยู่บนบวรพุทธาชีเขาปูลาดไว้ในธรรมกลางพิกษุสงในพระบิหารเชตวันเมื่อทรงแสดงว่าทันญากนทัญญาเทระสัสรุธรรมเป็นงแรกจึงได้ทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อัญญากนุธัญญาเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายผู้สาวกของเราเป็นรับตันอยู่คือบวชมาเป็นเวลานานบวชคนแรกนะท่านต้องการจะหลีกเลี่ยงการทําความนอบน้อมที่พระสาวกทั้งสองทำในตนและการอยู่ครุกรีกันในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านและต้องการจะอยู่ด้วยความยินดียิ่งในความส ง, งั สำคัญความล่าช้าที่ต้องทำการต้อนรับพวกกระดือหัดได้บันไปชิดบุข้าหมาตนจุตุ ล, ลาพระาศาสดาเข้าป่าหิมมผ่านระาชาชัติทันได้บำรุงรักษาอยู่ที่ริมฝั่งชัตทันโบกรณีสิบสองปีก็อย่างที่บอกเอาไว้นะว่า คือท่านเป็นพระมหาเทระผู้เท่าอายุก็มากแล้วก็เป็นพระปฐุมสาวกเป็นประสานิบุตรกับพระโมคคายลานะเนี่ยถึงแม้จะเป็นอักขสาวกก็จะลุกจะนั่งเนี่ยมันต้องกราบท่านเสีก่อนต้องขอโอกาสท่านเสีก่อนแล้วก็มีพระเถระผู้ใหญ่อีกเป็นนันมาก ต้องแสดงความเคารพต่อท่านแต่เด็น ว, ว่ามันเป็นภาระที่จะให้พระเทราเหล่านั้นต้องลำบากในการกราบกราบไหว้ๆนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้เท่าเนี่ยคนก็มาพบหากับท่านสนทนาสอบถามสักถามปัญหาต่างๆ เวลาก็หมดไปสิ้นไปก็ขาดความสงบท่านก็ต้องการจะหลีกเล่นไปอยู่อย่างมีความสงบคือการไม่รุกรีโดยหมู่คณะแล้วก็ไม่ต้องการให้ตนเองเป็นความลำบากของพระเทราผู้เท่าทั้งหลาย ก็กราบทูนลาพระพุทธเจ้าไปพักสงลาพระพุทธเจ้าไปพักอยู่ที่สะฉัตรทันในป่าหิมพานก็มีพระยาช้างฉัตรทันตโนบํรุงดูแลรักษาพระเถระอยู่เพราะเราจึงไม่ค่อยพบบทบาท ในการทำงานของท่านที่เกี่ยวกับสังคมเพราะว่าตั้นอยู่ห่างไกลจากสังคมไปการครั้งหนึ่งท้ศกกเทวราชเสด็จเข้าไปเยยบพระเทระผู้พักอยู่ที่ริมฝั่งสจัจจทันนั้นด้วยอาการอย่างนี้ไหว้ท่านแล้วประทับยืนสัต์อย่างนี้ว่าขอากาขอากาสเถอดขอรับ ขออนิมทนาพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอรับปเทราได้แสดงหลักอริยสัจสี่แล้วก็ใจรักซึ่งเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยความว่างเปล่าวิจิตรงดงามด้วยนัยยะที่หลากหลายอันอย่างลงสู่อมตะด้วยพุทธลีลาแก่เท้าสักะเทวรานั้นท้าสักะเทวราชแต่สดับแล้ว เมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของพระองค์จึงสัตว์ประคาถาที่หนึ่งคือลองสังเกตว่าการแสดงธรรมะของพระเทระอาราหันทั้งหลายนั้นแสดงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหมายความมาข้อความในเรื่องนั้นๆก็จะเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นแหละ จนม่แสดงทุกขะสท่านท่านแสดงเรื่องทุกขัตระก็แสดงว่าอาชาติความเกิดเป็นทุกข์ชะลาความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่าไรความรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจการต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามต้องการหรือสิ่งที่ต้องการต้องพราดพลากจากไปการต้องอยู่ร่วมกับคนที่ ตัวเองไม่ชอบก็เป็นทุกข์เราโดยสรุปแล้วคือจิตยึดบ้านถือบ้านในขันทั้งหางนั่นเองเป็นทุกข์ท่านจะแสดงกี่ครั้งตงีครั้งท่านก็แสดงตามนั้นเวลาพูดถึงสมุทัยก็จะแสดงว่าทุกขดสมุทัยอริยสัจ จะมีลักษณะโปโนพวิกาคือกอ่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปนันดีราคาสกากตาจิตใจกำนัดดวนนัดความเพลิดเพลินในรูปนั้นๆแล้จะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปก็คืออะไรบ้างก็คือตัณหาทั้งสามประการการมตัณหาภวตัณหาวิภาวะตัณหา คือการอธิบายขยายความนั้นอธิบายในโครงสร้างอื่นแต่ว่าถ้าจะพูดระยิสัตเป็นองค์หลักก็เรียกว่าเป็นนิปริยายก็จะแสดงในลักษณะ่างนีนะ้พอแสดงใจลักก็แล้วแต่เช่นว่าสังขารทั้งหลายต้องปลูกไม่เทียง ใครมาเห็นความจริงถึงความไม่เที่ยงของสัางขารทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็จะเป็นเข้าถึงความทางแห่งความหมดจดบนทัาวส ก, กะท่านเป็นเทวดาท่านมีความรอบรู้สูงขวางข้อความสั้นๆอย่างนั้นก็ตื่นเต้นก็สรรเสริญโดยคาถาที่หนึ่งนะครับ ว่าข้าพเจ้าได้ความธรรมมีรสอันประเสริฐซึ่งเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งพระคุณเจ้าได้แสดงธรรมที่กลายเป็นความกำหนัดที่คลายความกำหนัดเพราะไม่ถือมั่นโดยประการนังปวงได้แล้วคือธรรมที่พระเทรนาแสดงนั้นเขาเรียกอาเดียสัต ก็เป็นความจริงที่แท้จริงเป็นความจริงที่ทำให้คนซึ่งเข้าถึงความจริงเป็นพราริยะแล้วก็เป็นความจริงที่ทำให้ผู้บรรลุถึงเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดใตรลัก์เองมันก็อยู่ในกฎของอริยสัจคือหมายความมาทุกสมุทัยมรรคเนี่ยมันอยู่ในกฎของอริยสัจ นิโรธมันก็อยู่ในความหมายของอนัตตาในใจรักแต่ก็เป็นนิจจังเป็นทุกขังไม่ใช่เป็นสุขขังหมายความว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขแล้วก็เป็นอนัตตานิโรธจึงเป็นความหลุดพ้นจากทุกข์ ไม่ตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ก็เป็นนันตาการศึกษาในแนวของทุกขศสตร์ก็ดีในแนวของสมุทัยศาสตร์ก็ดีในแนวของไตรลักษณ์ก็ดีเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไร ที่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ตามแหละแต่ว่าเอาก็จริงมันก็ไม่จริงสักเรื่องหนึ่งดังนั้นท้าสกะท่านจึงสรรเสริญว่ามันเป็นเหตุให้เกิดความคลายกำหนัดจังบอกว่า แกงนี้ยอร่อยนะอีกสองชัมม่วโมงมากินเลยกนะันแต่ว่าแกงนั้นก็ตักวางไว้แล้วเราก็เห็นว่าเออไอ้แกงเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะแตไอ้ตอนที่วางอยู่นั้นนะอย่ออยังร้อนยังอุ่นอยู่พอรับประทานได้แต่อีกตั้งสองชัมมม่วโมงสามชัมมม่วโมงนี่มันไม่เจี่ยงแล้วนะ บางอย่างอาจจะมีข่าวของการบูดเน่าแล้วก็ได้เพราะมันก็ไม่มีความคิดอยากที่จะรับประทานแกงชนิดเหล่านั้นเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันอยู่ได้ไม่นานล้วกก็บอกไอติมนี่อร่อ ย, ยจะวางไว้ตรงนี้นะอีกสามชั่วโมงมารับประทานเพราะเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงอะ สามจมูกมันก็เป็นน้ำมันไม่เป็นไอศครีมเพราะมันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ความกําหนัดคือความอยากจะกินความอยากจะรับประทานแกงความอยากจะรับประทานไอศกรีมมันก็ไม่เกิดเพราะพิจารณาเห็นกฎของไตรลักษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงมันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ มีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่คงที่แล้วดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะขณะขณะขณะก็ต่อกันไปคน้ะคิดได้อย่างนี้มันจะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง กท่า น, นัญญาคุณธัญญและพวกเนี่ยเราจะเห็นว่าที่เจงแสดงอริยสัจสในธรรมจกักรแต่ว่าแสดงไตรลักษณ์ในอนัตตลักษณ์กันสดก็หมายความพระัญญาคุณธัญญาก็นำธรรมะสองการที่ท่านฟังจากสํานักของพระพุทธเจ้าการแรกท่านก็บรรลุโสดาปฏิพลด ที่สองท่านกัมมรนลุอรหัตตะพุก็ยกมาแสดงโดยความมุ่งหมายก็คือว่าท่านเข้าถึงอมตะธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างใดก็ปรารถนาที่จะให้ท้าวสากะเทวราช้เข้าถึงอมตะธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างนั้นด้วยจึงท่งแสดงกันนั้น ความทราบซึ้งในธรรมะของท้าวสกะเทวาราชเราดูข้อความแน่นอนตอนแสดงเนี่ยไม่ใช่แสดงสั้นๆอย่างที่เล่าหรอกเราก็แสดงตามโครงสร้างเต็มชีอของอริยสัจนั่นแหละเพียงแต่ก็นำมาเล่าให้ฟังว่าแสดงเรื่องอะไรบ้างจางเราสังเกตว่าความเปลี่ยนแปลงทางจิต ของผู้ที่ได้ฟังเรื่องใจรักษณ์เนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มชี้อนัตตาก่อนโดยสรุปก็คือว่าขันห้านั้นเป็นอนัตตาแต่ขันห้าจะเป็นอัตตาแล้วขันห้าก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแปรปรปวนไปแต่สัตว์เองก็ตั้งความหวังให้ขันห้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นตามที่ตัวต้องการได้ แต่ เ, เพราะกันห้าปีนาตากันห้ามันก็แปลวุเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเขมันศาสตว์ก็ไม่สามารถจะไปตั้งความหวังว่าขอขันห้าของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอยากได้เป็นอย่างนี้เลยนี่ไปตั้งความหวังอย่างนั้นไม่ได้หลังจากนั้นก็เริ่มสอบถามว่าพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะคิดเรื่องนี้ยังไง การานี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็กลับทูกราไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ท่านก็บอกว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่จะไปยึดถือด้วยอำนาจตัณหาว่าเป็นของเรา เบื้องแเข้ามานะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เติบอง้รกเขทิฐิว่าเป็นตัวเป็นตนตของเราขันปัญญโอกีก็กล่าวทูลว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระเจ้าคข้แล้วนั้นก็ทรงสรุปขันห้าทั้งสากลโลกเนี่ยสากลระพีพบสากลระจักรวาล น, นั่นนะ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 แต่ว่าของเรามันก็ไม่ใช่แต่ว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่เป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ใช่ถเรานึกถึงเรื่องมือนเรื่องมันคล้ายๆจะได้อะนะแต่ถ้าเรามองเรื่องที่ปัญหาจะตามมาเนี่ยมันเยอะมาก อย่างสมมติว่าเป็นพระตั้งแต่ราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไปเนี่ยเ <ermaid S 1> วลานมมนภาพเนี่ยท่านจะพระราชทานโกรธโกรธชั้นต่างๆตั้งแต่โกรธโโถขึ้นไปนะโกรธโหโกรธแปดเหลี่ยมโกรธอะไรต่ไรต่างแต่ข่าใจ้จนี่มาสา่เลย ก็ขยับตัวก็มีแต่ค่าใช้จ่ายประจำวันทุกคืนเรื่องเยอะทำสบทีหนึ่งก็ว่ากันเป็นล้านล้า น, านกระทำมากี่ล้านน่้นน่นเองแต่ผลสุดท้ายก็ถูกเผาไหมไอโกนั้นก็ไม่ได้ใส่จริงเป็นใส่โลก่กว็วางไว้เป็นเครื่องประดับประดาท่านนั้นเอง แต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราหรือเป็นเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเรานอกจากบาปบุญแต่เราได้กระทำเอาไว้โดยฐานะอะไรก็ได้ทำบาปก็เป็นบาปเป็นทำบุญก็เป็นบุญเราเป็นอะไรก็ได้เป็นเนรนก็ได้เป็นหลวงตาก็ได้เป็นชาวบ้านก็ได้คใครก็ได้อันนี้เราเหมือนกันตรงนั้น เราก็ทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ได้ไม่ใช่คือเราต้องทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เราเอาไปไม่ได้ที่เอาไปได้เนี่ยกลับเป็นนามธรรมคือบาปกระบุญเพราะฉะนั้นคนเราเพอมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นอนัตตก็ดีใจมันจะคลายกำหนัด มีไปก็เท่านั้นได้ไปก็เท่านั้นเป็นไปก็เท่านั้นนั่นมีก็จบลงที่ไม่มีเป็นก็จบลงที่ไปเป็นได้ก็จบลงที่ไม่ได้ทำให้เกิดความคลายกหนัดไปเรื่อยๆในบทประเด็นที่ทักะเทวราชกล่าวนะคำว่า ถึงแม้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมในสำนักของพระศา ส, สดาหลายครั้งแล้วก็เลื่อมใสยอย่างยิ่งในธรรมนั้นแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าได้คฟังธรรมมันมีอันประเสริฐที่พระคุณเจ้าแสดงแล้วก็เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกเพราะมีนิย ا ิจิตต่างๆและเพราะมีความไม่เศร้าโศกความไม่เศร้าโศกนะเป็นผลนะ คือหมายความว่าพอพอเข้าถึงนิโรธศัสตร์ลักษณะของนิโรธศัสตร์ก็คืออโศกังคือไม่โศกวิรชังคือปราศจากทุรีเคบังก็คือกเกษมก็คือลักษณะของนิพพานนั่นเองที่ท่านเคยฟังพระพุทธเจ้านั้นก็แสดงว่ายังไม่เคอฟังตอนที่สรงพิสิทธแสดงโดยพิสิ แต่ตอนที่พระยากกนัญญ า, าแสดงก็แสดงว่าตามโครงสร้างอริยสัจ ท, ทั้งสี่ในแบบที่ทรงแสดงในอะไรละมาสติปัฏฐานคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่ทรงแสดงในธรรมาจากนัแสดงโดยสรุปก็เรียกว่าเป็นนิ ป, ปริยาย ไม่ได้ขยายหรอกว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรมีลักษณะนนอย่างไรโศกะปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาสนี่คืออะไรแต่พอมาถึงในหมาสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นเนี่ยจะส่งขยายความพิสดารก็แสดงว่าพัญญากรทัญญาแสดงข่าวนั้นก็แสดงแบบพิสดารหมายความมาขยายความแต่ละข้อ เป็นวาสาัมมาทิฏฐิเป็นชไหนการเห็นทุกเหตุเกิดแห่งทุกความรับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความรับทุกอย่างมุจติพิกเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาจิจิสัมมาสังกปรเป็นอย่างไร ความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี่เรียกว่าสัมมาสังกปะเป็นต้นนะตอนการฟังพิสดารแล้วแสดงพิสดานแล้วก็คิดตามข้อความที่ท่านแสดงมันก็จะเกิดรู้สึกปิติเรีประโถ์มากึนขึ้น ทีนี่ประเด็นต่อไปก็คือใครกําหนดกําหนดนั้นเป็นกิเลสประเภทราคะกับประเภทโลภเพลิดเพลินชื่นชมยินดีแต่ว่าสิ่งที่เรากำหนัดนะก็คือสังขารทั้งหลายนั่นเองสังขารทั้งหลายมันก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นเย็น ร, อร้อนนอนแข็งเป็นอารมณ์ รัตนกรเดอธิบายว่าคลายกำหนัดเพราะคลายจากสังสกิเลตและจากสังขารทั้งปวงคือเกิดความคลายกำหนัดได้เพราะเหตุดันแหละพระคุณเจ้าจึงได้แสดงแล้วเพราะไม่ถือมัน่นไม่ยึดมั่นในธรรมอะไรอะไรในบรรดาอารมณ์คือรูปเป็นต้นเพราะไม่ถือมัน่นโดยประการทั้งปวงเหตุเป็นไปด้วยอนาจอย่างวิมุต คือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสนี้ให้สำเร็จทาส ก, กะเทวราชครั้นสรงชมเชยเทศนาของพระเทราชอย่างนี้แล้วก็รสรงอภิวาทพระเทราชเสด็จกลับไปยังที่ประทับของพระองค์ตามเดิมต่อมาวันหนึ่งพระเทราชเห็นว่ารัจจิตของเหล่าปุถุชนบางพวกที่ถูกมิจฉาทิฏฐิครอบงำ เรนึกถึงคําสั่งสอนอันเป็นปฏิปักต่อมิจฉาทิถีนั้นแล้วนึกถึงความชี้ตนมีใจพรากจากการฟังทั้งปวงแล้วแสดงใ น, นความนั้นจึงได้กล่าวกาถาสองบทนี่เราจะเห็นว่าลักษณะของพระอราหันต์หรือพูดง่ายๆว่าคนที่เข้าถึงธรรมทั้งหลายเนี่ยระดับนี้เป็นระดับก็เรียกว่าเจโตปริยานแล้ว หมายความมารู้จักวารจิตของคนแล้วท่านก็กําหนดดูวารจิตของคนก็เรียกว่าดูปณิสัยของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองก็มีปัญหาเรื่องอะไรเกิดมาจากอะไรท่านก็เห็นว่ามีปัญหาเพราะขาดการศึกษาสำหรับตบฟังขาดการอยู่ในประเทศที่สมควรขาดการคบหากษัตริย์บุรุษ าการฟังธรรมของสัตว์บุรุษาการใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจนารณาด้วยหลักเรียกว่าโยนิสโสมัตการคือใช้ปัญญาพิจนารณาในทางที่ชอบก็เป็นเหตุได้คนมีความผิดฉิตท่านก็เกิดกัลุณาแต่ว่าเปล่งคาถาคนะาถาอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเาเรียกอุทาน ก็เปล่งเป็นรูปอุทานขึ้นปรารบอุปนิสัยของสัตว์เห็นสัตว์โลกบิดเบียนกันจังก็เกิดการุณาในหมู่สัตว์เหล่านั้นแล้วก็เปล่งอุทานพระเทราก็เปล่งอุทานซึ่งก็หมายความว่ามันเป็นการสะท้อนอารมณ์โลกเมื่อไรก็ถูกมื่นั่นแหละเพราะมันเป็นความจริง ฉันบอกว่าอารมณ์อันวิจิตเป็นนั้นมากในโลกคือปัตภีมุท น, นิ this หมายถึงว่าในโลกในโอกาสสะโลกโลกคือแผ่นดินเนี่ยอารมณ์ที่วิจิตพิสดารมีเป็นนั้นมากแต่ว่าถามว่าพิสดารจริงหรือเปล่าพิสดารเพราะใจไปกําหนดว่ามันพิสดาร เราขาดความรู้ความเข้าใจที่ท่องแท้ในเรื่องเหล่านั้นดอกไม้ที่กำลังบึงบานสวยงามชี้จริงคือดอกไม้กำลังจเจเ๊่ากำลังเดินทางเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงในขาลงอตอนเริ่มพลีออกมาเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงขาขึ้นพะมาถึงจุดหนึ่ง มันก็กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงขาลงอาการที่เบ่งบานเต็มชี่ก็หมายความว่าความเจริญมันมาถึงจุดสูงสุดก็มาแล้วจากนั้นก็จะเริ่มเสื่อม แ, แตกสลายทำลายไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ว่า เธอตั้งหลายจงมาดูโลกเงียบตาการ ด, ดรารุราชรดราชรดมันก็บอกให้เห็นว่าเป็นของผสมแล้วเป็นเรื่องของสังขารธรรมที่มาเกาะกลุ่มผสมกันอยู่แต่ก็ถึงจุดหนึ่งก็แตกดับไปแต่ชาวโลกตราบใดที่ยังเห็นยึดมัน่นถือมัน่นว่านี้คือราชรดมันก็สวยงามอยู่อย่างนั้นแหะ แต่ในความวิจิตพิสดารในความสวยงาม น, นั่นเองผู้รู้นี่เขาไม่ข้องอ่ะเพราะเขาไม่เห็นว่ามันสวยงามาะไรมันสักแต่ว่ากระบวนการของสังขารที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปจะเร็วจะช้ามก็คือกันน่ะแต่ผู้ไม่รู้นี่ก็จะข้องจะยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้น ผลอารมณ์ต่างๆที่พระเทะท่านกล่าวอุทานเนี่ยดูเหมือนจะรบกวนบุคคลผู้คิดถึงการมิตกอันประกอบด้วยราคาอยู่หมายความมาถ้าเราไม่มีการมิตกซึ่งถูกปรุงด้วยราคาหรือโลภะก็เหมือนกันนะ มันร้อนท่านฟังลอนสังเกตดูพวกนี้มันร้อนอ่ะพอเริ่มตึกนึกเหนียวนึกเหนียวนึกมันก็ร้อนนล้ราคาก็ร้อนโลผาก็ร้อนโทสะก็ร้อนโมหะก็ร้อนแต่ว่าในที่นี้มันเนื่องจากไปกําหนดอารมณ์อวิจิตที่เรียกว่าอิทากันตามนาปาคือหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจ มันก็แล้วร้อนด้วยแรงกำหนัตแต่ประการสำคัญว่าตัวคาถาแรกที่ทาส ก, กะกล่าวเนี่ยกล่าวประโลมทงธรรมะมันก็แสดงว่าพระเทราได้อธิบายเพื่อให้เกิดความคลายกำหนักพอพระเทรามาดูมนุษย์รถยาตของนั่น ก็เห็นว่ามนุษย์มันก็หมกมุ่นอยู่ในเรื่องเหล่านี้เยอะเหลือเกินน่าน้อยใจนะว่ากันตามความจริงวันก่อนไม่ได้อ่านข่าวหรอกแต่เห็นพาดหัวผู้ชาย2ี่สิบคนรุมโซงผู้หญิงคนเดียวที่ชนบุรีแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือว่า ในยี่สิบคนนั้นเป็นแฟนของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยตำยืวจจับเกือบครบแล้วแต่ต่อไปจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่เราก็นึกนะนึกเคยตั้งปัญหาแล้วเคยสอบถามสอบถามเด็กสอบถามผู้ใหญ่ก็เคยสังเกตไม่ว่าสัตว์ใิระจาดเนี่ยมันค่มคืนกันหรือเปล่าคือถ้าเราเทียบเคียงเอา มาตรการเอาการคมขืนกันเป็นมาตรการเนี่ยเป็นมาตรวัดความสูงความต่ำในด้านคุณภาพทางจิตของคนกับสัตว์ก็น่าสลดเพราะว่าที่เป็นจริงเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แ่ะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นสัตว์ก็ขมขืนกันแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าสัตว์นี่มคขืนกัน มันหารือโหดนะมันหาหรือโหด ม, น, หหหดหมนึกดูว่าคนรุ่นราวเขาวเด็กกันก็เด็กผู้หญิงนั้นก็อาจจะเด็กกว่าก็รุ่นน้อ ง, งนะครับนึกดูมันเป็นไม่ได้ยังไงก็หนึ่นมึงก็น้องสาวอะแล้วไปทำได้ยังไงไปคิดได้ยังไง และโดยเฉพาะคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจก็คือคนที่เป็นแฟนกันก็ไปประทุษรายกันได้ขนาดนี้แต่ผู้หญิงตายหรือไม่ตายไม่ทราบนะเพราะว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่เนี้ยคือเราจะเห็นว่ามันก็เกิดมาจากแรงกระตุ้นของกา ร, ราคาัดไปกำหนดอารมณ์โลกด้วยความกำหนัดก็เพลินก็ครึมอยู่กับอารมณ์เหล่านั้น ท่านเรียกว่าการไม่ตกทีนี้ประการต่อไปท่านกล่าวว่าฝนตกลงมาพึงยังฝุ่นละอองทุลีที่ถูกลมพัดฟุ้งขึ้นได้ชันใดเมื่อใดรยาสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเมื่อนั้นความดำริของพรยาสาวกนั้นย่อมระ ง, งับไปในระ ง, งับไปฉันนั้นคือหมายความว่า กิเลสก็ก็กิเลสนะนะกิเลสมันก็ต่างจากอารมณ์อารมณ์มันไม่ใช่กิเลสกิเลสมันก็ไม่ใช่อารมณ์เราจะนึกรูปก็ไม่ใช่กิเลสเสียงก็ไม่ใช่กิเลสกลิ่นก็ไม่ใช่กิเลสรสก็ไม่ใช่กิเลสสัมผัสก็ไม่ใช่กิเลสอารมณ์ที่เราเหนียวนึกตรึกนึกอ่ะมันอาจจะถูกปรุงด้วยกิเลสก็ได้ปรุงด้วยธรรมะก็ได้ปรุงด้วยกลางกลงก็ได้ แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันมนเหมือนกับฝุ่นมันฝุ่นมันฟุ้งอยู่แต่ว่าฝนตกเนี่ยมันก็ทำให้ฝุ่นนั้นหายไปได้ถ้าคนได้ใช้ปัญญาในการมองอารมณ์รถนั้นแล้วพยายาจับไปได้สักจุดเนี่ยไม่ต้องจับมากหรอก จะไปได้สักจุดแล้วจุดอื่นก็จะเห็นสืบเนื่องกันไปเองอย่างแนวการเจริญกายกตาสติไม่ได้หมายความว่าเราต้องดูทุกจุดเราดูจุดใดก็ได้แต่มันทำให้เราเกิดปัญญาพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้น ดูผมก็ได้ดูเล็บก็ได้ดูฟันก็ได้ดูหนังก็ได้ดูเนื้อก็ได้ดูเอ็นก็ได้ดูก็ดูก็ได้หรือตอบไปพังผืดม้ามาอะไรต่อะไรต่างๆก็ได้เพ่งพินิษฐ์พิจารณาดูแล้วก็น้อมเข้ามาหาที่ตัวเราน้อมก็ไปหาที่คนอื่นแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับสิ่งเราอื่นในสุดมันก็จะเกิดแนวคิด โดยสรุปรวมว่าสังขารทั้งหลายมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามันเป็นเข้อมันอย่างเนี้เตอนคนเราถ้าได้ใช้เหตุผลสติปัญญาในการคิดเรื่องที่เรานึกไปออกเยอะแล้วเขาคิดขึ้นมาได้อย่างไงทําไมก็ต้องทําอย่างนี้น เราดูทั้งความรุนแรงของความแตกแยกที่ว่าเป็นเราเป็นเขาคือสังคมอะไรก็ตามที่รู้สึกเป็นเราเป็นเขาชี้แรงเนี่ยมานาความสงบได้อย่างเพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาถูกทาลายเพื่อเราจะอยู่รอดแม้แต่ของเราของเขาเนี่ย เราเห็นว่าถ้าถึงจุดหนึ่งไม่มีการประนีประนอมกันจะเป็นของเราหรือของเขาก็ตามเราจะแย่งมาเพื่อเป็นของเราบางที่เล่นจนถึงทํำลายเขาเราเทียบเคียงถ้าเราไปดูในพวกเปตวัตถุพวกเรื่องนรกหรืองอบายต่างๆเรื่องปารโลกนะครับ บาปกรรมที่ทําให้คนต้องตกนรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีอสุรากายก็ดีสัตว์ที่ดิฉานก็ดีไม่ค่อยมากเท่าไหรอ่อ่ะแต่มันแรงเรียกว่าไม่คุ้มทุนเลยไม่คุ้มการตอบสนองอารมณ์รับใช้อารมณ์รับใชก้กิเลสที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็สนองงานไม่ใช่เต็มที่เลย แล้วมันก็ให้ผลที่แรงเกินเหตุมันค้าพภพข้าชาติอะแต่เราลองสังเกตว่าของเราก็ดีเป็นเราก็ดีเป็นตัวตนของเราก็ดีมันก็ไม่ค้าพภพข้าชาติไอเป็นตัวตนเนี่ยแต่จจครับนะฮะแต่ว่าของเราก็เป็นเราเนี่ยมันไม่ได้ค้าพภพข้าชาติไป เราตายจากใครมันก็ก็ตายจากคนนั้นไปสิ่งที่ยะตามมันก็มีบุญมีบาต่างกาวเบื้องการใช้ปัญญาคิดปัญญาเขามีให้คิดเนี่ยให้คิดหาเหตุหาผลแต่มันแปลกที่ว่าสังคมเรามีคนเรียนสูงมากๆ มีสติปัญญากันมากๆและยังนึกว่าสังคมต่อไปด็อกเตอร์จะเยอะยังนึกว่าจะมีแนวการผลิดด็อกเตอร์แบบธุรกิจคือลงทุนสูงใช้เวลาน้อยก็มีกรรมวิธีในการผลิตในการสร้างก็ยกระดับคน ขึ้นไปอยู่ในฐานะของนักวิชาการชั้นสูงแต่ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าถึงอะไรหรอกแล้วก็ไม่พยายามพัฒนาตัวเองด้วยนี่คือสิ่งที่ที่น่าห่วงในโอกาสต่อไปแล้วความโน้มเอียงมันมีเราเห็นในปัจจุบันว่ามีความโน้มเอียงที่จะไปทางนั้นมาตรยใ์ใหญ่ใหญ่ต่างประเทศ เป็นใจเอกมีตั้งสิบคนก็บุญแล้วผ่านหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ค่อยผ่านหมดหรอกแต่ปริมาณมันไม่มากเขาดูอาจารย์ที่ปรึกษาในมีพอหรือไม่เราต้องดูปริมาณของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยเพราะพวกนี้ต้องทำหลุดสีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ แล้วก็เตมมากเกินไปมันก็ไม่มีคุณภาพหรอกนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเกิดเป็นมายาภาพแล้วพอมีสร้างขึ้นมามากก็เป็นเงื่อนไขที่สังคมเกิดยอมรับนับถือกันในทุกสังคมก็เลือล่อะไร เลื่นไหลไปตามกระแสอารมณ์ร่วมเตียนชอบร่วมกันต่อ า, ายไปอย่างนี้ถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องถูกผิดไม่รู้แหละเขาว่าถูกก็ก็ถูกของเขาเวันการสงบระงับเรื่อ ง, ง, งการมราคะกอดิโลภากอริพูดง่ายๆว่าสงบอารมณ์กระแสของกิเลสในที่นี้ก็เน้นไปที่ สัมมาสังกปปะคือปัญญาที่นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดมามองมาวิเคราะห์โดยเหตุโดยผลรูปมันประณีตย่างไงก็ตามเราก็ครอบครองช่วยในรันไม่ได้แม้รูปเราจะประนีตเราก็ครอบครองไม่ได้เพราะว่าจริงๆมันไม่ประณีตมันเพียงแต่ว่ามีอาหารมีอากาศมีลมหายใจมันปนปลืออยู่เท่านั้นเอง อากาศอาหารอากาศอากาศหาดลมหายใจก็จบความประนีตมันก็หมดสิ้นไปอารมณ์โลกทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนี้เรา่อันอุทานของพระอาหารหันเนี่ยมันสั้นน่ะสองบรรทัดพวกนี้ที่เขาอมาเป็นบทกระทูแล้วก็แต่งเรียบเรียงขยายความบรรยายความไปกี่หน้ากระดาษก็ไม่รู้ อธิบายได้รเรื่องละเอียดนะฮะคือมองมองมองใล้ๆจะสั้นแต่ว่าที่จริงเราวประณีตมาก็แต่ละข้อหนึ่งก็เทศได้กันหนึ่งกันหนึ่งทั้งนั้นเนะี่ยเราอประวัติปัญญาโกรัญญารูปเดียวนี้ที่จริงก็เทศได้เป็นร้อยกันเฉพาะขัดถาที่ท่านกล่าวที่ท่านเล่ามันสามารถจะเชื่อมโยงกับ องธรรมในข้ออื่นๆทั้งในด้านบวกและด้านลบไปในขณะเดียวกันต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามไปบูรณ์ในธรรมต้องมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี